ไปไหนมาผู้กองชา ย, ยันถามอย่างร่าเริงรพินยิ้มแม้อากาศจะหนาวเย็นเช่นไรเงือกของเขาก็พราวระยับวางปืนลงบนแคร่ไม่ไผ่ไปที่หนองหลังเขาครับตีห้าเมื่อคืนนี้ตอนที่พวกเราทุกคนหลับสนิทต๊ะถามบอกว่ามีช้างโขงหนึ่งมากินน้ำที่หนองนั่นก็เลยไปดูให้หายสงสัยว่าจะเป็นพระเอกแหวงของเราดอดเงียบเข้ามาอีกหรือเปล่าแล้วใช่ไหมสองชายผู้เป็นนายจ้างถาม้วยเร็วพร้อมกันจ้องตาขมิง พรานใหญ่หัวเราะหยิบชายผ้าของม้าที่เกียนเอลอยู่ซับเหงือ่อไม่ใช่หรอกครับโขลงอื่นมีแม่ปลดเป็นตัวนำฝูงมีช้างงาอยู่ด้วยสามตัวงางามสยด้วยพวกมันยังป้วนเปี้ยนหากินอยู่แถวนั้นจนกระทั่งผมไปถึงทำไมไม่ปลุกพวกเราด้วยจะได้ไปด้วยกันดาลินติงผมเห็นว่ากำลังหลับสบายอยากจะให้พักผ่อนให้เต็มที่เพราะวันนี้เราจะเริ่มเดินหนักกันอีกเพิ่งตื่นหรือครับ ปาเขาไปร่วมสี่โมงเช้าเชษฐาเป็นคนตอบลืมตาขึ้นมายัางนึกว่า6โมงเช้าเสียอีกพอดีได้ยินเสียงพวกเกรียงทำงานกันออกวุ่นวายกรหนไปหมดดูนาฬิกาที่ไหนได้ว่าแต่คุณเถอะกินอะไรแล้วยังเรียบร้อยแล้วครับผมกินกับโต๊ะถาในดงมาแล้วออกไปสำรวจรอยเจออะไรบ้างหรือเปล่านอกจากโขลงนั้นชายยันร้องถามมาอย่างอารมณ์ขนอง เสือมันเพ่นพ่านเสียจนไม่มีสัตว์อะไรเลยครับนอกจากนกกับพวกกิงพวกข้างป่งแถวนี้ก็จืดหมดแล้วไม่มีสัตว์ไหนสนใจแต่ลังพึ่งเยอะเหลือเกินแทบจะเรียกว่าไม่ขาดระยะทีเดียวตัวก็เขื่องเขืองขนาดหัวแม่มือพูดถึงพึ่งพ่านใหญ่ปลายแวบไปทางหญิงสาวดาลินพบตาเขาเข้าพอดีหน้าแดงหล่อนไม่มีวันลืมได้แน่นอนสาหรับเย็นวันหนึ่งที่นั่งห้างที่โป่งกระทิงวันนั้นไอพึ่งเจ้ากรรม พึ่งเจ้าชูที่พิเดนคานเข้าไปในบราเซียของหล่อนจนกระทั่งเดือดร้อนถึงคนที่หล่อนเกลียดขี้หน้าต้องหาทางช่วยเอาออกให้หล่อนกลัวมันเสียยิ่งกว่าเสือหรือช้างอีกหล่อนค้อนคนที่พูดถึงพึ่งโดยที่คนอื่นไม่เห็นแล้วก็เมินไปเสียบอกกับตนเองว่าเกลียดเกลียดเกลียดเดี๋ยวนี้มาพบการพร้อมหน้ารวมหมู่คณะอีกแล้วคนคนนี้ไม่รู้จะแย่โทรศักวนประสาทอะไรอีกบ้าง ทีหลงป่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วก็ดีแสนดีดีจนคิดไปไม่ถึงทำไมนะจะดีเช่นนั้นให้ตลอดไปหน่อยไม่ได้หรื อ, อยังไงครึ่งชั่วโมงจากนั้นทั้งหมดก็พร้อมที่จะเริ่มต้นออกเดินทางดารินมอบยาจำเป็นจากหีบเครื่องเวชภัณฑ์กระเป๋าของหล่อนให้แก่โต้ถะถักสองสำอย่างพร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้เพื่อสาหรับความเจ็บไข้ได้ป่วยของลูกบ้านทั้งหลาย ฉีดยาให้แก่แม่เท่าคู่ชีวิตของหัวหน้าบ้านผู้ทรมานอยู่ด้วยมาเรลลียเรื้อรังมาเป็นเวลานานและรักษาเยียวยาพวกกระเลียงผู้มีโรคประจําตัวเท่าที่รอนจะสามารถมันเป็นพระคุณที่ชาวขาวเหล่านั้นจะต้องจารึกจดจำนายหญิงผู้สวยเหมือนนางไม้และเก่งกล้าสามารถปานเจ้าแม่แห่งพงไผ่ไปอีกนานแสนนานโตถาถึงกับปรวรณาตัวที่จะขอติดตามไปส่งด้วยจนกว่าคณะทั้งหมดจะพบกับข บ, ขบวนเกวียนใหญ่ โต้ถามไม่ต้องลำบากหรอกอยู่กับลูกเมียและพวกพ้องเล่งสร้างถิ่นที่อยู่ให้ดีขึ้นเถอะเพราะพังจะย้ายมาอยู่ใหม่อะไรๆก็ยังขัดสนอยู่สําหรับพวกเราพอจะไปกันเองได้นายหญิงของพวกเราชาวเขาทุกคนบอกเสียงอ่อนหวานโดยหวานให้แง่ท า, ายเป็นร่ามให้โต้ถาอยากรู้ว่านายหญิงกับพวกจะมุ่งไปไหนแง่าสายแปลภาษาชาวเขาเป็นชาวเมืองบ้างดาลินยิ้ม บอกเขาเราทุกคนจะมุ่งหน้าเทือขาวพระศิวะเพื่อติดตามพวกของเราคนหนึ่งที่ร่วงหน้าไปก่อนแล้วภายหลังจากตะแคงหูฟังแง่ทรายเป็นล่ามแทนหญิงสาหัวหน้ากระเรียงห้วยแม่เลงก็ลืมตากว้างหันไปทางระพินและโต้ตอบกันสองสาคำแล้วก็สายหน้าอยู่ไปมาอย่างวิตกกังวลโต้ถะเป็นห่วงกลัวว่าพวกของนายหญิงจะได้รับภัยระหว่างทางเสียก่อนและไปไม่ถึง อยากจะขอร้องให้นายหญิงเลิกล้มความตั้งใจเสียขอบใจมากไม่มีอะไรมายับยั้งความตั้งใจของพวกเราเสียได้แม้แต่ความตายบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าไม่ตายเสียขากลับคงได้พบกันอีกกเหรี่ยงท่ากล่าวอะไร พ, พึมพาเป็นภาษาของตนออกมาอีกประโยคหนึ่งดาลินทำท่าง ง, งรอให้แง่ทายหรือเกิดคนใดคนหนึ่งช่วยแปลให้แต่ก็เห็นทั้งสองยืนยิ้มเฉยเสีย โต้ถาว่ายังไงทําไมไม่แปลฉันฟังโต้ถาบอกว่านายหญิงและคณะได้พรานนําทางที่ดีที่สุดแล้วและขออวยพรให้คณะของนายหญิงจงสําเร็จผลตามที่ปรารถนาไว้เกิดตอบยิ้มยิ้มมาแทนหล่อนหันไปทางแงซายจริงหรืองแงซายที่โต้ถาว่าอย่างงั้นเป็นความจริงครับนายหญิงดาลินมองไปทางพรานใหญ่ก็เห็นเขาชิดเท้าตรงและก้มศรีรษะให้น้อย หล่อนยิ้มมุมปากมองไปยังโต๊ถะถาเลิกคิ้วนิดหนึ่งปากพูดกับโต๊ะถะก็จริงแต่คนฟังคงจะเป็นอีกคนหนึ่งขอบใจที่ช่วยให้คำรับรองอีกคนหนึ่งแต่จะดีที่สุดหรือเร็วที่สุดเหตุการณ์ข้างหน้ามันยังอยู่อีกไกลนักสําหรับการพิสูจน์ไม่มีใครแปลคำพูดของหล่อนภายหลังจากร่ำราทั้งหมดก็ออกเดินทางผาจากหมู่บ้านห้วยแม่เลง ถึงแม้จะปฏิเสธเช่นไรโต๊ะถาก็พยายามยัดเยียดข้าวสารแบ่งใส่ถุงให้มาด้วยพร้อมกับเกลืออีกเล็กน้อยทั้งๆ ท, ที่ตนเองก็มีอยู่อย่างแร้นแค้นเต็มทีเกรียงทั้งหมดมาออ ก, กันส่งอยู่ที่ชายดงทั้งลูกเด็กเล็กแดงดาลินได้รับมาลายดอกไม้ป่าสวมเป็นมงกุฎทําโดยเด็กสาวชาวเขาทั้งหลายที่สวมให้มาด้วยหล่อนแช่มชื่นและเป็นสุขอย่างยิ่งในเมติจิตจากสาวเกรียงเหล่านั้นนับตั้งแต่เริ่มออกจากข้วยแม่เริง ทั้งหมดโดยกนนารนำของระพินยึดแนวสันขาวมุ่งหน้าตะวันออกเฉียงเหนือโดยตลอดแม้จะเป็นเวลาเที่ยงวันอากาศก็เย็นช่ำ ช, ชื่นเพราะอยู่ในระดับยอดเขาสูงริบบางขณะมองเห็นละอองหมอกและปุยเมฆลอยปกคลุมอยู่บนยอดไม้เขียวทึบรปริบปริปรปลงไปเบื้องล่างความเย็นของอากาศทําให้การเดินไม่เหน็ดเหนื่อยนักระหว่างทางที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ําเพราะผ่านแหล่งน้ําตกอยู่บ่อยๆ ธรรมชาติของป่ารอบด้านชื่นจะอุ่มงดงามไปด้วยพันไม้แปลกๆออกช่องามตาไม่ว่าจะเป็นพวกกล้วยไม้เถาวัลย์หรือเฟิร์นผิดไปกว่าป่าล่างที่เคยผ่านกันมาแล้วนอกจากนกและพวกผีเสื้อสีสันประหลาด ป, ประหลาดพราวตาแล้วไม่มีสัตว์ใหญ่ใดๆแผ่วผ่านให้เห็นวังเวงสงัดเงียบเหมือนอยู่ในโรกอีกโรคหนึ่งคงมีแต่เสียงจั ก, กรจันรองในเท่านั้นที่เพลียประสานเสียงระ ง, งมดงอยู่ไม่ขาดระยะหนทางก็ไม่รกทึบนัก เพาอาศัยยึดเส้นทางด่านช้างมาโดยตลอดนอกจากพรานใหญ่จะนำลัดตัดทางโดยปีนชะ ง, ง้อนขาวบางระยะบ้างเท่านั้นอันตรายที่จะเกิดขึ้นมีอยู่อย่างเดียวคือการพลั้งพลาดในขณะปีนป่ายและอาจร่วงลงไปสู่เหวเบื้องล่างที่มองไม่เห็นก้นแต่ทุกคนก็ขอให้การช่วยเหลือประคับประคองผ่านกันไปได้ในทุกตอนบางขณะก็อาศัยวิชาตอกทอยอันจานานเยี่ยมของแง่ายในขณะที่จะตัดหน้าผาสูงชันขึ้นไป โดยปราศจากสิ่งมั่นคงพอจะยึดเหนี่ยวพยุงตัวได้หนุ่มกระเหลี่ยงพเนจนรผู้ลึกรับจะตอกทอยตา ย, ตายนําล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วโลยเชือกที่ม้วนติดตัวขึ้นไปด้วยลงมาให้คนอื่นๆตายตามเชือกนั้นขึ้นไปคณะไหนจ้างทั้งสามพา ก, กันทึ่งในศิลปะการตอกทอยของแง่ทรายเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่เชื่อในครั้งแรกว่าลูกทอยที่ทำด้วยแก่นไม้ไผ่เสี้ยมปลายแหลมกว้างเพียงสามนิ้วและยาวคืบกว่า แต่ละอันที่แง่ทายชิดต่อเข้าไปตามรอยร้าวและแหงของผนังหน้าผา น, นั้นจะสามารถทานน้ำหนักตัวคนในขณะที่เหยียบแทนบันไดขึ้นไปได้แต่แล้วก็เห็นอดีตนายทหารกองโจรกระเหลี่ยงเจ้าของถอยตายขึ้นไปเหยียบยืนทีละขั้นแล้วก็ตอกลูกต่อกไปให้สูงขึ้นไปอีกก้าวตามแต่ละลูกที่ต่อสูงขึ้นไปเป็นลำดับนั้นอย่างแคล่วคล่องจนบรรลุ ถ, ถึงยอดหน้าผาบริเวณที่ต้องการจะตายขึ้นไปให้ถึงซึ่งทุกคนเฝ้าแงนมองดูอย่างหวาดเสียและภาวนาเอาใจช่วย เมื่องแง่ทายขึ้นไปถึงเรียบร้อยแล้วก็จัดการโรยเชือกลงมาให้โดยผูกปลายเชือกอีกด้านหนึ่งรั้งติดไว้กับต้นไม้ย่อนปลายอีกด้านลงมาให้และเพื่อความปลอดภัยแน่นอนแล้วผินสั่งให้คณะนายจ้า ง, งเขาเอาเชือกผูกเอวไว้ให้แน่นนาก่อนที่จะอาศัยเชือกเหนียวพยุงกายหยยบขึ้นไปตามลูกถอยเพราะถ้าพลาดพรั้งอย่างไรเชือกก็ยังรั้งเอวอยู่แทนที่จะร่วงหล่นลงมาข้างล่าง พราดใหญ่เป็นคนสุดท้ายที่ตายตามบันไดทอยของแง่ทรายขึ้นไปโดยสวัสดิภาพตัดหน้าผาตอนนี้ขึ้นมาได้เราก็ย่อนระยะทางไปไม่น้อยกว่า30กิโลเมตรรพินบอกขณะนั้นทุกคนกำลังนั่งพักผ่อนหุงหาอาหารมื้อแรกนับแต่ออกจากหมู่บ้านกะเหลียงมามันเป็นเวลาบ่ายสามโมงเศษคณะนายจ้างของเขาทั้งสามยังอดประหลาดใจในความมหัศจรรย์ของการตอกถอยไม่หาย โชคดีเหลือเกินที่เรามีแง่ทรายมาด้วยเสือนั่นมีอะไรดีอยู่ในตัวไม่ใช่น้อยจนบางทีเราก็คาดคิดไปไม่ถึงเห็นหิ้มหิ้มทึมทมไม่ค่อยพูดจากับใครแต่เวลาจําเป็นขึ้นมาแล้วหมอเป็นคนอัศจรรย์ทีเดียวชายานพูดขึ้นเบาๆบุยปากไปทางแง่ทา ย, ายผู้บาดนี้กําลังทําหน้าที่หุงหาง่วนอยู่กับเกิดผมก็คิดไม่ถึงว่าพวกเราจะมีปัญญาปีนหน้าผาสูงชันตอนนี้ขึ้นมาได้ยังไงเชื่ถาเอ่ยขึ้นบ้าง มองไปทางแง่ทายอย่างเลื่อมใสพอใจยิ่งตอนแรกที่เห็นหมอไปตัดแก่นไผ่มาทําลูกทอยผมไม่ศรัทธาเลยคิดอยู่ว่าไอ้ไม้ซี่เลก็กๆเหล่านั้นมันจะเป็นบันไดให้พวกเราพาตัวขึ้นมาได้อย่างไรยิ่งมาตอนหมอตอกทอยไปพางต่ายขึ้นไปพางยิ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดแท้ไม่เชื่อตาตนเองถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังแปลกใจไม่หายอยู่นั่นเองไม้ซี่เล็กๆต่อเข้าไปในซอกหินอย่างละหลวม มันมีความแข็งแรงมันคงได้อย่างไรจนสามารถทานน้าหนักตัวคนได้ถ้าไม่มีเชือกคอยปคะคองอยู่ด้วยผมไม่กล้าตายขึ้นมาแน่ๆแต่งั้นก็ยังเสียวแทบแย่การตอกทอยเป็นวิชาชั้นสูงของพวกพรานป่าครับและไม่ใช่ขึ้นชื่อว่าพรานแล้วจะตอกทอยเป็นทุกคนมันอาจจะเป็นวิชาที่รีรับไม่ใช่เล่นทีเดียวพรานใหญ่เ อ, อ่ยช้าๆหยิบถอยลูกหนึ่งขึ้นมาพิจารณาในมือและหัวเราะออกมาเบาๆ ชำเรืงไปทางแง่ทรายผู้นั่งหันหลังให้ห่างจากกลุ่มคณะนายจ้างออกไปประมาณเจ็ดวาหมายความว่ายังไงที่ว่าเป็นวิชาลิรับนะ่ะชายันขมวดคิ้วถามมาโดยเร็วอย่างพิศวงดาดินและเชษฐาก็จ้องมาที่เขาอย่างสนใจที่จะได้รับคำตอบพวกคุณก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือครับว่ามันลิรับเช่นไรอย่างที่เป็นข้อสงสัยและวิจารณ์กันหยกยกนี่คือทอยลูกเล็กนิดเดียวตอกเข้าไปในรอยแยกของพื้นหิน ทำไมมันถึงมีความแข็งแรงมั่นคงพอที่จะรับน้ำหนักของคนให้ปีนขึ้นไปได้ซึ่งถ้าจะพิจากันตามเหตุผลทั่ ว, วไปแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้และวผีนกล่าวแช่มช้าเดาะลูกทอยขึ้นลงอยู่ในมือแล้วส่งไปให้ชายยานสำรวจพิจารณาดูอีกครั้งพร้อมกับกล่าวต่อมาว่ามันเป็นวิชาที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนกันนานครับไม่ใช่เห็นใครทําเราก็จะเอาอย่างทําตามได้ง่ายๆเพราะถ้าขืนทําตามเป็นเกิดอันตรายแน่ๆ คือลูกทอยจะทรยศหลูกจากที่ตอกไว้ทําให้คนที่กําลังไต่ขึ้นไปบนที่สูงๆูหล่นลงมาและที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องเรียนด้วยอาคมและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์พิธีการโดยเคร่งครัดทีเดียวไม่ใช่เรียนเฉพาะการเหลาไม้ทําลูกทอยหรือเรียนเฉพาะวิธีตอกอย่างเดียวเท่านั้นมันมีคาถาอาคมกํากับด้วยเรื่องของพรานป่าก็หนีคาถาอาคมไม่พ้นหรอกครับคณะนายจ้างทั้งสามมีความประหลาดใจเพิ่มขึ้น หันมามองดูหน้ากันเองดาลินซักเร่งเล่ามาเอนี่ความรู้ใหม่อีกแล้วการตอกถอยจะต้องมีอาคมกำกับด้วยหรือคุณหญิงไม่สังเกตเห็นหรือครับตอนเหลาแก่นไม้ทําถอยเกิดจะช่วยเหลาแต่งแง่สายห้ามไว้หมอเหลาของหมอเองคนเดียวแล้กล้มหน้าก้มตาไม่สนใจที่จะพูดกับใครอีกเลยนั่นคือการสํารวมจิตภาวนาคาถาปลุกเสกลูกถอยของเขาก่อนที่จะทําการต่อก็ยืนนิ่งอยู่เป็นครูใหญ่ และการตอกถอยแต่ละลูกแงซายตอกลงไปเพียงสามครั้งต่อลูกเท่านั้นไม่มากหรือไม่น้อยไปกว่านั้นนั่นคือเคลดและพิธีการทั้งนั้นเพราะเขาถือกันว่าถ้าทําผิดเคลดหรือพิธีการไปแล้วก็ถอยจะไม่ศักดิ์สิทธิ์และถอยศเอาถึงตายไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งแน่ๆผ่านป่าที่จะมีวิชาตอกถอยได้นั้นหาได้ยากหรือเกินในปัจจุบันนี้และใครก็ตามที่ตอกถอยได้ก็จัดว่าเป็นพรานชั้นเยี่ยมทีเดียว ในชีวิตของผมรู้จักพรานเก่าที่ตอกทอยได้เพียงคนเดียวเท่า น, นั้นคือหนานพราคนที่พูดถึงอยู่บ่อยๆซึ่งเดี๋ยวนี้แกก็ตายไปแล้วและเพิ่งจะมาเห็นแง่ท า, ายนี่แหละเป็นคนที่สองชายยันกับดาดินคลางอยู่ในลําคอเชิฐาลูกคางผมเองก็เคยคลุกคลีกับพรานเก่าๆมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันยังไม่เคยเห็นใครแสดงการตอกทอยหเห็นชัดกับตาสักทีนอกจากจะเห็นจากแง่ทายในครั้งนี้ ก็หน้าแปลกใจไม่ใช่เล่นนะจริงอย่างที่คุณพูดผมก็เห็นเหมือนกันแงซายตอกถอยแต่ละลูกเพียงสามครั้งเท่านั้นเป็นการตอกอย่างมีจังหวะและเหมือนจะมีการตั้งใจที่แน่วแน่ในทุกครั้งที่ตอกลงไปขณะที่ตอกคงจะเสกอาคมกำกับลงไปด้วยหัวหน้าคณะเดินทางกล่าวเบาๆอย่างสุดทึ่งความจริงก็เป็นอย่างที่คุณชายพูดนั่นแหละครับแต่ข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างไรผมก็ไม่อาจทราบเหมือนกัน ทอยที่เสียบปักลงไปแน่นหรือไม่แน่นแค่ไหนเขาก็จะตอกเพียงสามครั้งเท่านั้นโดยเชื่อว่าทำได้ถูกต้องกับพิธีการครบถ้วนแล้วมันจะเป็นบันไดให้ทุกคนในคณะสามารถพยุงตัวไต่ตขึ้นไปได้โดยไม่หลุดออกส่วนจะแน่นอนได้สักแค่ไหนผมไม่กล้ายืนยันความสำคัญทั้งหลายแหละมันไปอยู่ที่คนทำพิธีตอกทอยเองถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยทอยหลุดร่วงหล่นลงมาเขาก็ถือว่าคนตอกทาผิดพิธี หรือไม่ก็ผิดเครดิตผิดครูอันไปโทอย่างร้ายแรงเมื่อเราจะตายตามทอยที่พรานทําไว้ให้เราก็ต้องมอบความไว้วงางใจให้พรานคนนั้นอย่างเต็มที่หรือจะพูดให้ตรงก็คือฝากชีวิตไว้กับเขานั่นเองแต่สําหรับกรณีเมื่อครูน่นี้ผมก็ไม่ได้ประมาทคือให้แง่ายทดลองทอยของตนเองขึ้นมาจนถึงบนนี้ก่อนแล้วหย่อนเชือกลงมาให้พวกเราทีหลังในกรณีนี้ถึงทอยจะหลุดออกก็ไม่เป็นไร แต่มันก็ไม่หลุดสักลูกเดียวทั้งที่เราตายตามหลังเงยทรายขึ้นมาถึงห้าคนสองครั้งแล้วนะที่เราเห็นอะไรแปลกๆพิสดารจากเงซทรายดาลินหันไปพูดเบาๆกับชา ย, ยันครั้งแรกป่าวาช้างหยุดจัง ง, งังแล้วก็ยิงล้มลงอย่างง่ายๆในขณะที่พวกเราวิ่งกันโอลแมนไปทั้งแคมป์ตอนที่ช้างตกมนันบุกแคมป์โป่งกระทิงมาครั้งนี้ตอกทอยให้เราปีนหะน้าผาชันสูงตั้งร่วม30บเมตรขึ้นมาได้ ราวกับมีตีนที่โจกหรือตุ๊กแกเสือนี้สำคัญไม่หยอกไม่ผิดหวังเลยที่เรารับเขาไว้ในคณะของเราเท่าที่เรารู้ประวัติความเป็นมาของแง่ทายหมอมีชีวิตผจญภัยอยู่ในป่าดงมาตั้งแต่เกิดถ้าไม่ดีจริงก็คงจะอยู่มาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แช่ฐาพูดอย่างใคร่ครวญตั้งแต่เห็นในวันที่เข้าไปสมัครเป็นคนรับใช้ในวันแรกแล้วลักษณะของหมอไม่เหมือนกับพวกกะเหลี่ยงหรือชาวป่าธรรมดาเลย เว้นไวแต่จะพยายามสำรวมซ่อนเล้นปิดบังไว้เท่านั้นก็ไม่น่าสงสัยอะไรเลยที่เราค้นพบอะไรดีๆจากในตัวของหมอขึ้นมาเป็นลำดับหมอแสดงออกมานีเมื่อถึงคราวจำเป็นจะต้องแสดงเพื่อช่วยเหลือพวกเรายังดีเสียกว่าที่จะคุยโวโออวดในครั้งแรกดาลินมองดูตาระบินแล้วพูดหน้าตาเฉยแต่หางเสียงสับยอกว่าพรานใหญ่คงจะไม่สบายใจนักกำมังที่ค่อยๆค้คนพบออกมาว่า มีคู่แข่งคนสำคัญขึ้นเสียแล้วแง่ทรายอาจจะไม่มีอะไรได้ไปกว่าคุณเลยในศัพทวิทยาในป่าเพียงแต่ว่าเขาอมภูมิไว้เท่านั้นรพินไพยวันเห็นจะไม่ใช่หนึ่งในอาณาจักรพงไพรเสียแล้วเมื่อมาเจอคู่ปรับที่มีนามว่าแง่ทรายเข้าพรานใหญ่หัวเราะเบาๆผมอยากคิดเสียด้วยซ้ำว่าคนใช้พิเศษของคุณหญิงคนนั้นมีอะไรเหนือกว่าผมเสียอีก แต่ไหนแต่ใดมาแล้วผมไม่เคยเชื่อตัวเองเลยว่าตนจะช่ำชองชำนานเรื่องป่าสักขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจประหลาดใจสักนิดหากพบว่ามีมือดีเหนือกว่าแต่ความไม่สบายใจนั้นยอมรับว่ามีแน่มีตั้งแต่หมอนี่เข้ามาสมัครเป็นคนใช้และคุณชายรับเอาไว้แล้วสาเหตุก็คือผมยังค้นไม่พบความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวของหมอได้กระจ่างชัดมันขัดกันอย่างไรพิคนนะ พวกเราสามคนชอบแง่ายกันทั้งนั้นส่วนคุณไม่ชอบดาลินว่าเจตนายั่วผมอาจชอบเขาก็ได้หากรู้จักเขาดียิ่งกว่านี้แต่แ ง, ง่ายไม่เห็นแสดงข้อรังเกียจอะไรคุณเลยเคารบเชื่อฟังและอ่อนน้อมในทุกสภาพไม่เคยแข็งข้ออวดกำแหงกับคุณเลยหล่อนไม่ยอมรถดละนั่นไม่ใช่คุณลักษณะที่ดีพิเศษอะไรออกไปเลยแต่เป็นเรื่องสามัญธรรมดาหรือเกิน แง่าสายต้องการจะเข้ามาร่วมอยู่ในคณะของเราเขาต้องรู้ว่าควรปฏิบัติเช่นไรบ้างเพื่อให้รู้ร่วงไปตามแผนแต่สำหรับผมไม่มีแผนอะไรไมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือความไม่ประมาทเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่พวกเราทุกคนนั่นเองผมยืนอยู่ในที่สว่างแต่แ ง, ง่สายยืนอยุดที่มืดเพราะฉะนั้นจาเป็นอยู่เองที่ผมจะต้องอึดอัดใจและคอยสารวจเขาอยู่ทุกระยะ คุณคิดระแวงอะไรมากเกินไปฉันไม่เชื่อว่าแง่ทายจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับพวกเราทั้งสิ้นและที่เขาเข้ามาร่วมกับเราก็ได้ความบริสุทธิ์ใจโดยปราศจากสิ่งใดแอบแฝงมีความต้องการเพียงขออาศัยติดตามไปให้ถึงเทือกเขาพระศิวะซึ่งเขาก็บอกแล้วเท่านั้นเวลาและเหตุการณ์จะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับคุณเป็นคนรอบคอบดีมากในที่สุดแช่ถาผู้นั่งฝังน้องสาวกับพรานใหญ่โตอตอบกันอยู่หลายประโยช ก็เอ่ยมาด้วยเสียงเนิบๆท่อสายตานิ่งมายังระพินด้วยประกายไว้วางใจสนิทคุณพู้ถูกแล้วพวกเราอาจมองผ่านไปเสียก็ได้เพราะฉะนั้นผมฝากทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ให้อยู่ในความดูแลและดุลยพินิจของคุณเพราะคุณเองก็มีหน้าที่จะต้องให้ความปลอดภัยพวกเราอยู่แล้วจับตาดูหมอไว้เงียบๆก็แล้วกันผิดปกติไม่ชอบมาพานอยางไรก็อย่าลืมบอกให้ผมรู้บ้างผมยอมรับว่าพอใจเสือนั่นมาก แต่ก็ต้องระวังหมอไว้บ้างเหมือนกันเพราะความลึกลับของหมอที่เรายังไม่สามารถคลี่คลายออกไปได้เท่าที่แล้วมาก็ยังไม่เห็นมีอะไรครับระหว่างกินอาหารชายยันกวักมือเรียกแง่ทรายเข้ามาแง่ทรา ย, ายไปเรียนวิชาตอกถอยมาจากไหนหนุ่มชาวดงพเนจรยิ้มฟันขาวนานแล้วครับเจ้านายพระธุดงที่เลี้ยงผมมาท่านสอนให้ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆอยู่ ต้องมีคาถาหรือเวทมนตร์กำกับด้วยหรือเปล่าดาลินตั้งคำถามแบบสัมภาษณ์มาด้วยอีกคนหนึ่งใบหน้าสีทองแดงอันมีดวงตาสุขใสเหมือนเด็กๆสยายยิ้มกว้างออกไปอีกก็ต้องมีเหมือนกันครับนายหญิงถ้าไม่มีคาถากำกับทอยจะไม่ติดแน่นเวลาปีนขึ้นไปทอยจะหลุดตกลงมาคณะนายจ้างทั้งสามผลัดกันซักถามเกี่ยวกับเคล็ดในการตอกทอยของแง่ทรายซึ่งหนุ่มกระเรียงร่างยักษ์ก็ให้คําตอบที่พอจะสรุปได้ ตรงกันกับพระพินที่เคยบอกไว้แล้วนั่นเองนอกจากคาถาอาคมที่ต้องเสกปลุกในขณะที่ตอกแล้วยังต้องปฏิบัติพิธีการตามเครปเด็กเคร่งครัดกล่าวคือภายหลังจากตอกถอยต่ายขึ้นไปยังบริเวณที่สูงตามต้องการสำเร็จผลแล้วผู้ตอกถอยจะต้องหัวลกลับลงไปถอนลูกทอยที่ปักเป็นบันไดอยู่นั้นออกให้หมดโดยไม่ทิ้งค้างไว้การถอนลูกทอยก็มีคาถาสําหรับถอนเช่นเดียวกับการตอกเหมือนกัน หากทิ้งลูกถอยให้ค้างไว้โดยไม่ถอนออกการตอกถอยในครั้งต่อไปย่อมจะประสบกับความบิบัติแน่นอนวิชาตอกถอยจึงเป็นมนต์มืดที่ลึกลับอีกชนิดหนึ่งไม่ผิดอะไรกับพิธีการทางไสยศาสตร์อื่นๆถอยของแง่ทรายเคยหลุดในขณะที่ปีนอยู่บ้างไหมดาลินซักที่ยิบมากกว่าทุกคนผมไม่เคยผิดคำสอนของอาจารย์เท่าที่แล้วมาลูกถอยไม่เคยหลุด ก่อนออกเดินทางแง่ทายไต่าตามสายเชือกย้อนลงไปยังโตรกลึกเบื้องล่างเพื่อจัดการปลดลุกถอยออกแล้วก็ไต่กลับขึ้นมาภายในระยะเวลาอันรวดเร็วพอเก็บเข้าของเสร็จกบกองไฟลุกขึ้นยืนทุกคนก็ต้องชะงักกึกอยู่กับที่ไปในวะระนั้นเสียงร้องแหลมของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งทุกคนคุ้นหูดีก้องกังวานมาจากที่ใดที่หนึ่งไม่ห่างออกไปนักได้ยินอย่างถนัดมันดังแปลแผลนยาวเหยียดก้องไปในความเงียบ แล้วก็ประสานกันแทระงมไปหมดพร้อมกับกองหินทลายและคนกิ่งไม้หกักไอ้แวงชายยันลุดปากออกมาในเสียงกระซิบความรู้สึกของทุกคนในยามนั้นประหนึ่งว่าเลือดจะจับแข็งเป็นก้อนไปชั่วขณะแม้แต่ระพินภัยวันเองผู้ยืนตะลึงอยู่กับที่อย่างน้อยที่สุดก็สองสามวินาทีระพินกับเชษฐถากระชากลุกเลื่อนไหเฟื่อนขึ้นราเกือบจะเป็นเสียงเดียวกัน ส่วนดาลินกับชายยานสบัดเดิเบิลไรเฟิลที่เพิ่งจะเหวี่ยงขึ้นสะพายบ่าลงมาถือกระชับไว้ในมืออย่างเตรียมพร้อมอึดใจนั้นทุกคนตกอยู่ในภาวะใคร่ครวญเพื่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตข้างหน้าที่ทายยากระยะนี้เองผู้ที่ใช้ปืนแฝงทั้งสองควักลูกปืนสำรองออกมากำมั่นไว้ในมืออย่างคุ้นต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะต้องระเบิดกระสุนอย่างเป็นเบือ่อโดยจําเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วฉับไวเข้าช่วยเพื่อแข่งกับนาทีวิกฤต มากว่าเสียงช้างที่อื่นคเนึงอยู่นั้นเป็นโขงของไอแหว่งจริงตามที่ทุกคนคิดและถ้าหากมันได้กลิ่นพร้อมทั้งมีเจตนาที่จะยกพลบุกเข้ามาสถานการณ์ของฝ่ายมนุษย์ทุกคนก็เลวร้ายเต็มทีเพราะภูมิประเทศเป็นตำแหน่งอับกำบังด้วยเป็นบริเวณยอดผาอันสูงชะลูดโดดเดี่ยวหมดหนทางที่จะหลีกหลบเคลื่อนถอยได้นอกจากจะถอยลงไปกระดูกแหลกเหลวอยู่ยังหุบเบื้องร่างที่เพิ่งจะอาศัยบันไดถอย ต, ยตายขึ้นมา เอาอยัางไงดีเราไม่มีที่กำบังเสียด้วยลูกปืนก็มีกันอยู่คนละไม่กี่นัดเชษฐาถามเลวปือ้อทุกคนอยู่ในอาการกระสับกระส่ายตื่นเต้นแทบจะระงับไว้ไม่ได้อิทธิพลของไอแหวงจอมมฤตยูมีอำนาจเอกอุสันสะเทือนขวัญได้พอดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่จู่โจมกระทันหันโดยไม่รู้นื้อ ร, รู้ตัวอย่างนี้มาก่อนพรานใหญ่กัดริมฝีปากกวาดสายตาไปรอบๆ อ, อ, อย่างรวดเร็ว แล้วจับไปยังกลุ่มโขถินที่ระเกะระกะอยู่เบื้องหน้าแนวรบของเราอยู่ที่ก้อนหินข้างหน้านั่นครับมันอาจไม่แข็งแรงนักแต่ก็ยังดีกว่ายืนอยู่ในที่โลง่งทางที่จะขึ้นมาก็เป็นทางด่านสูงชันแคบๆพวกมันไม่สามารถจะด่านหน้าขึ้นมาได้ทั้งโขงนอกจากอย่างเก่งก็เลียงคู่กันมาทีละสองตัวพอมีโอกาสยิงทันไม่จำเป็นต้องยิงกระดาษให้เปืองกระสุนแต่เลือกยิงให้เหมาะเก็บมันทีละตัวหากมันโผล่ขึ้นมา พวกมันเข้ามาเป็นเป้าล้มสักสองสาตัวไอ้พวกที่เหลือก็คงถอยโดยไม่มีเสียเวลาอีกเลยแม้แต่วินาทีเดียวทั้งหมดพุ่งปราตรงไปยืดยืดแนวโขทินตรงบริเวณเนินลาดอันสกัดปากทางด่านแคบๆไว้กระจายกำลังกันออกในลักษณะตั้งรับไลาเฟื่ทั้งหกระบอกจ่องศูนย์หมายไปยังปากด่านนั้นด้วยหัวใจอันเต้นระทึกระยะปากด่านที่หักโค้งข้อสอกขึ้นมานั้น ห่างจากบริเวณที่ซุ่มสกัดอยู่เพียง30สิบเมตรเท่านั้นหนทางโรงปราจากกิ่งไม้พลางตานอกจากโขดหินตะปุ่มตะปาทั่วไปมองเห็นอะไรได้อย่างถนัดชายยานกอบฝุ่นแดงข้างๆตัวขึ้นมากำเพื่อซับเหงื่อนในฝ่ามือขวาและเอามือข้างนั้นลูบเช็ดกับกางเกงอย่างไม้มั่นจับคอบปืนนิ้วสอดแตะรออยู่ที่ไกแยกเขี้ยวคำรามออกมาขอให้ตัวนาฝูงตัวแรกเป็นไ้แหวงเธอ จะได้สุดสิ้นรู้แล้วรรอดการเป็นทิศทีจากการตรวจสอบทิศทางลมของระพินพบว่าฝ่ายมนุษย์ทั้งหมดอยู่เหนือลมเพราะอยู่ในระดับสูงกว่าและกระแสลมโชยจากสูงไปหาต่ําหลายอุจใจต่อมาของการสงบคอเหตุการณ์อย่างสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาวไม่มีเสียงใดๆที่จะสอเห็นถึงว่าช้างโขงนั้นเคลื่อนพลขึ้นมาใกล้พวกมันส่งเสียงร้องอื้อเอิญและเหยียบย่ากิ่งไม้โคลงคลามอยู่ก็จริงแต่มันดังอยู่กับที่ ตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งเบื้องล่างลงไปทางช่องเขาซึ่งก็ไม่ห่างออกไปนะักเพราะเสียงเป่าลมออกจากงวงก็ดีเสียงก้อนหินพลิกถล่มอยู่ ก, กรูเกลียวก็ดีได้ยินมาอย่างถนัดเอ๊ะรู้สึกว่าพวกมันจะชุมนุมวุ่นวายกันอยู่กับที่นะไม่มีการเคลื่อนไหวไปทางไหนเลยไม่ใกล้เข้ามาทางด้านลาวแล้วก็ไม่หนีห่างออกไปเชิฐานร้องออกมาอย่างประด่าใจขณะที่ตะแคงหูจับเสียงพรางหันไปจ้องหน้าจอมพน ล้วพินเองก็กำลังพิศวงอยู่กับท่าทีประหลาดของมันอยู่อย่างชนิดดาวมิถูกเช่นกันยกแขนขึ้นป้ายเหงือบนใบหน้าเงี่ยหูจับเสียงทันทีนั้นทุกคนก็พบกับความงงงันเพิ่มขึ้นเพราะได้ยินเสียงเสือขู่คำรามก้องแทประสานมากับเสียงแปผลนของโขงช้างดังอยู่หอกห้าสถานไปทั้งหุบเขาเสียงเสือที่แผอย่างดุร้ายกระหายเลือดไม่น้อยกว่าสองตัวขึ้นไปฟังดูโกลาหนโละมานไปหมดแล้วคนไปกับเสียงป่าป่วน ถ้ามันยังไงซะแล้วชายยันร้องกระโดดลุกขึ้นยืนและทุกคนก็พลอยยืนขึ้นจากที่กำบังพร้อมกันหมดนั่นมันเสียงสงครามระหว่างไอ้จมูกยาวกับไอ้ลายนี่นะเห็นจะไม่เกี่ยวข้องกับเราเสียแล้วละ่ะสงสัยครับแล้พินบอกขมวดคิ้วยิ้มออกมาเล็กน้อยแต่ทําไมเสือมันถึงกล้าเข้าร้อมช้างทั้งโขงทีเดียวลือพร้อมกับพูดเขาก็ก้าวพรวดนําหน้าทุกคนตรงไปยังโคก ข, ของศอกของด่านโดยเร็ว ทั้งหมดถือปืนในท่าเตรียมพร้อมก้าวตามมาอย่างกระชั้นชิดพอรับเปลี่ยมผาที่บางมุมอยู่คณะเดินป่าทุกคนอุทานออกมาด้วยความตื่นใจจากภาพที่ปรากฏกับสายตาเบื้องล่างในระหว่างช่องเขาแคบที่พื้นเป็นตะปุ่มตะปาไปด้วยหินระยะห่างลงไปประมาณ60เมตรบัดนี้มัวคลุมอลลวนเป็นละมานเป็นควันตลก อันเกิดจากฝุ่นเพราะการโอลมานวุ่นวายของฝูงนศาสสองชนิดแสงตะวันบ่ายสาย์เป็นลำผ่านช่องเขาลงมาจับที่บริเวณนั้นทำให้เห็นได้อย่างถนัดตาสิ่งที่เห็นในครั้งแรกก็คือช้างโขลงหนึ่งประมาณ 12-13 ตัวกำลังปั่นป่วนอยู่ไปมาชู ง, งวงร่อนส่งเสียงอยู่ไม่ขาดระยะด้วยอาการกระสับกระส่ายตื่นตกใจและขนเกลียวกราดหันลีหันขวางหมายจะพุ่งเข้าใส่ไอ้ลาย ซึ่งเลี้ยวตลบแยกเยคี้ยวขู่กำลามหลอกล่ออยู่เป็นพลาวันโดยตีวงล้อมอยู่รอบด้านบางตัวก็กระโจนขึ้นไปหมาะผูลูอยู่บนก้อนหินใหญ่เนื้อขโขลงช้างเหล่านั้นพอได้จังหวะก็กระโจนลงมาตบกัดแล้วเพ่นหนีออกไปคุมเชิงย่างสามขุมเข้ามาอีกพอช้างวิ่งเข้าใส่มันก็เพ่นถอยฉากหลบหนีหลบไปอย่างว่องไวมีเหลี่ยมจ้องหาจังหวะจะเลือกกัดเหมาะเหมาะเสือฝูงนั้นจะมีอยู่กี่ตัวก็มองไม่ถนัดนัก เพราะมันวิ่งตลบลุกไล่โจมตีโขงช้างอยู่พลุกพล่านไปมาจนดูแทบไม่ทันนอกจากจะคณนได้ว่าคงไม่น้อยกว่าสี่ห้าตัวขึ้นไปล้วนเป็นสือขนาดใหญ่ทั้งสิ้นช้างโขงนั้นเป็นช้างงาเสียสี่ตัวและเจ้าพลายสูงใหญ่พ่วงพีเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นกองกำลังคุ้มการแยกกันออกลุกไล่ปะทะเสือไว้แต่ช้างย่อมจะเสียเปรียบกว่าด้วยประการทั้งปวงเพราะบริเวณช่องเขาตอนนั้นแคบจากัดมาก การหมุนตัวกลับไม่สามารถจะทำได้ถนัดอีกประการหนึ่งพื้นก็ล้วนเป็นโขดหินกรุกขระพวกมันไม่อาจก้าวออกเดินได้ว่องไวรวดเร็วเท่าที่ควรแต่พวกมันก็หันหน้าเข้าสู้ประจันกับเสืออย่างจนตรอกพวกสีดอตัวเมียและลูกช้างเล็กๆอีกสี่ห้าตัวไปเบียดเสียดกันอยู่ที่ริมหน้าผาตอนหนึ่งส่งเสียงร้องอยู่เซงแซ่ไม่ใช่โขงไอแวงเสียงเกิดร้องออกมา เชี่ากับชายยานควักกล้องสองทางกายออกมาในทันทีนั้นยกขึ้นสองดูโดยเร็วแล้วบอกเร็วปือ้อไม่ใช่ขโขงไอแหว่งจริงๆด้วยถ้าทายไม่ผิดเสือฝูงนี้คงจะย่องตามพวกมันมานานแล้วและได้จังหวะบุกเข้าร้อมโจมตีตอนที่ช้างเดินผ่านช่องเขาแคบหนทางเป็นโขดหินขรุขระไม่สามารถจะเดินหรือเคลื่อนไหวได้เร็วช้างหลงกลมันเสร็จแล้วเหลือร้ายจริงๆไอเสือนี่เชี่าพูดแล้วก็ส่งกล้องให้พานใหญ่ ระพินรับมาดูในขณะที่ดารินก็กระชากกล้องไปจากมือของชายยันเพียงชั่วอึดใจเดียวของการสำรวจด้วยกล้องขนาด12คูณ50ของเชิฐทาระพินก็อ่านเหตุการณ์ได้โดยตลอดส่งกล้องคืนไปให้เจ้าของมีลูกช้างรุ่ น, นตัวหนึ่งสักขนาดควายเห็นจะได้ตัวที่แม่ประหลดและสีดอยใหญ่อีกสองตัวคอยคุมอยู่ชิดนั่นแหละครับเป็นต้นเหตุคุณชายสังเกตให้ดีๆสิครับ แล้วจะรู้ว่าทำไมไอ้เสือฝูงนั้นถึงระดมโจมตีกันเป็นการใหญ่และพวกช้างก็ไม่ยอมผักไปไหนนอกจากจะรวมกลุ่มปักหลักอยู่ที่นั่น